นี่ต่อไปนะครับว่าด้วยมรขาสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอราหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจ์ไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้มรขา น, นะครับลบหลู่คุณคนอื่นเนี่ยนะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในมรขานั้นยังละมรขานั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ดูการพิสุทั้งหลายส่วนพิสูรู้ยิ่งกําหนดรู้มัคคะยังจิตให้คลายกําหนัดในมัคคะนั้นละมัคคะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะครับนะถ้าหากว่าละอจิตที่คิดลบหลูคนอื่นเนี่ยนะโดยเฉพาะโทสะที่เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นลบหลูคนอื่นหรือที่เรียกว่าเห็นอะไรก็นึกตําหนิไปหมดเลยเนี่ยนะครับเพ่งโทษโพนธนาคนอื่นเนี่ยนะใครทําอะไรไม่มีดีสักชิ้นหนึ่งนะครับ ที่ในพระอุชานสันญีนะสมัยพุทธกาลน่ะนะก็มีใช่ไหมครับเที่ยวเพ่งโทษโพนธนาคนอื่นไปหมดอ่ะนะถ้าเขาเอาของมาทมําบุญเยอะๆก็ตำหนิอีกอนะ่ะโอ้ยมาทิ้งมาคว่างที่บ้านมีมากนักหรือไงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาทําน้อยก็ตําหนิอีกคนระับว่าขาสารเสื่อแต่ญาติเขาอย่างเดียวนะแต่ที่จริงแล้วก็ญาติขนเขาคนไหนมีตัวตนอะไรหรือครับเพียงแต่ว่าคนมันชอบเพ่งโทษโทนธนาคนอื่นเท่านั้นเองนะนะเพราะต้องทําปริญญาในมรรคะนั้นอย่างที่ว่าไป แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมมรค ะ, ะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่ไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไห น, ไหนเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชนีและนะครับนึกไปดูหมิ่นใครในเวลาใกล้ตายนี้ก็ลำบาก นนะมีอุบาสกคนหนึ่งสมัยก่อนนะครับสาธยาอาการส2สองอยู่ห้ายปีด้วยกันแต่เนื่องจากตัวเองเนี่ยเจริญกรรมฐานที่ไม่เหมาะกับจริตไม่เหมาะกับอัธยาศัยสาธยายมากๆเข้าระนานเข้าปีติปราโมทอะไรไม่เคยเกิดเลยก็ใกล้จะตายนี่เกิดวิปฏิสานขึ้นมาเอ๋สาสนานี่ไม่เป็นนิยานิกระทาแน่นอนนะฮะนึกหมินาศาสนาขึ้นมาในขณะนั้นตายแล้วไปเกิดเป็น จราเข้นะครับตัวใหญ่มากเลยนะทวิปฏิสารก่อนตายเนี่ยนะครับลำบากนะไอ้จิตที่นึกดูหมินเนี่ยนะครับมันเกิดเมื่อไหร่มันอันตรายเมื่อนั้นนะครับถ้าไปนึกดูหมินแม้กระทั่งผู้มีพระคุณเป็นต้นมันก็นำมาเสื่องบาปชนิดอื่นอื่นอีกมากมายเพราะอันนี้มันโทสะนะครับกิเลสสายโทสะเนี่ยนะ